เห็นตรงต่อมาสไหมเห็นต้งต่อวิมุตไหมเห็นตรงต่อความหลุดพ้นไหมเรามองดูอย่างนี้ดูสิเทงเป็นตนที่มันเป็นมิจฉามั่งมิจฉาทิฏฐิเห็นเพียงปฏิบัติผิดจริงจะไม่ต้นก็ใช่นอกเป็นตนยึดมั่นถือมั่นละความยึดไปได้สิเนี่ยมันจะหลุดพ้นไปได้อย่างไรมองวิมุตดูสิเข้าไป่ได้ไปไม่ถึงนั่นเดี๋ยวว่าร่างกายเป็นตนไปยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวว่าตนเป็นผู้ชายก็ยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวว่าตนเป็นผู้หญิงก็ยึดมั เตัวให้เป wow okay? okay? ็น yeah. วัตถุเขาของเงินทองของตัเจ็๊บมัติมันถ้าไม่ให้อนาตตาไม่มีทางนี่ต้องเห็นนี่ท่านต้องตรุงความเห็นตัวเนี้ยเห็นตรงไหมหรือไม่ตรงถ้าว่าเห็นเป็นอตาอยู่เลยเห็นผิดแน่ะต้องดูที่เนี่ยเห็นเห็นว่าเป็นอัตาเห็นอนาตตาเห็นร่างกายเป็นตนเห็นกายเป็นเป็นธาตุอนาตตาเห็นลมเป็นตนเห็นลมเป็นธาตุอนาตตาเอาเรามากําหนดดูตอนนี้ดูสิทำความเห็นนี่ตรงตอนนี้ดูสิเอ้เห็นลมเห็นลม เห็นลมเข้าเห็นลมออกเห็นลมสันเห็นลมยาวเห็นลมดีเห็นลมจเห็นลมหยาบเห็นลมละเอียดเห็นลมไปต้นในเบื้องต้นเท่าดูดีๆสิน่เท่งดูดีๆกับนดดีๆสิเนี่ยอ่าไม่มีความเห็นแก่กล้าเหแขงโอ้ลมเนี่ยมันเป็นธาตุนร่าตโดยปรมามัดนะคำที่ว่าลมเป็นตัวนี่เพียงสมมติเท่านั้นแหละสมมติว่าลมนี่เป็นเราเป็นเขาเราหายใจเขาหายใจอ่าเราหายใจเข้าเราหายใจออกถ้ามองดูดีๆความเห็นนีกำลังแก่กล้าแ็แข็งโอ้ยลมเนี่ยธาตุลมมันเป็นธาตุปราต่โดยมมัดไม่มีเรานะ เดีม่เข้าไปออกตายเลยอแล้วไม่เข้าออตายเลยของเราที่ไหนบอกได้ไหมบอกว่าได้นั่นแหละก็มันไม่มีเราก็บอกไม่ได้สิไม่ใช่ตัวตนของเราก็บอกไม่ได้สิฝืนธรรมดาก็ไม่ได้สิถ้าเป็นของเรามันก็จะบอกได้ถ้าเป็นของเราบอกได้ใครอย่าไปต้องการละความตายนี่ยไม่มีใครต้องการนะต้องการมีชีวิตเป็นอยู่อย่างดินแานจุอประสงค์อันสําคัญยิ่งจิตใจของเรมไม่ต้องการตายเฮ้ไม่ต้องการเลยตายตายเนี่ยแต่ว่าธรรมชาติของร่างกายที่มันฝืนธรรมดาเขาไม่ได้ เห็อะไรจริงที่ไม่ตายจริงๆก็คือใจนั่นแหละเปิดใจมันไม่รู้ตัวคือไม่รู้ตัวใจไม่รู้ใจในี่คืออะไรใจนั้นเป็นอมตะอย่างไรนั่นอ่ะใจไม่เคยตายเนี่ยอดีตไปมาถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะมันไม่ตายนั่นแหละปัจจุบันจะต่อไปอนาคตเพราะใจมันไม่ตายนั่นแหละทำม like ันตายมันจะไปเกิดในเรื่องถ้าทำไมถ้ามันตายมันจะมาถึงปัจจุบันในเรื่องอดีตโน่นอ่ะตายแล้วมันก็แล้วไปใจถ้ามันตายมันจะมาเกิดในปัจจุบันในเรือนี่แสดงว่าสิ่งที่ไม่ตายก็คือใจ ใเนี training, ่ยเขาสมมติพอจจในตัวเ่การประดับปรดาดีอ่าก็พอใจนการปรดับปรดาเนวาการนอนเสื่อจะจะรวยสำลีดีก็พอใจในการนอนเว่าการเสด็จเงทองดีก็พอใจในการเสดเงินงนในทองหรือที่ว่านี่องค์มักดูสิอ่าองค์มเนี่ยสัมมากรมมันโตอ่าสัมมาวจาสมาชิวถ้าเป็นมิจฉาที่มันก็เป็นมิจฉามักมิจฉากรมมันโตคืออย่างไรเนว่าการฆ่าตัดดีเห็นว่การรักทรัพย์ดีเห็นว่การเสพการดีเห็นวการพูดปดดีเห็นการพูดสอเสียดดีเห็นว่าการ นั่นเห็นว่าการเสีหามในทางวิชาชีวะน่ะดีอย่างเงี้ยเห็นว่าการค้าขายเครื่องประหารมันดีเห็นว่าการค้าขายตะตาวุธมันดีเห็นว่าการค้าขายหนามเมามันดีเห็นว่าการค้าขายยาพิษมันดีเห็นว่าการค้าขายสัดเป็นให้เขาฆ่ามันดีขายได้เอยรวยมากๆมันดีนั่นเห็นว่าการขอของต่อกทะเลาะจะไม่อยากไม่ทายาตไม่เสียภาวนาดีเห็นว่าการทําการเล็บเสื้อขายหากำไร่ประการต่างๆดีไม่ตรงต่ลักของศีล เห็นวาการร่วงระเบิดสินเป็ของดีเเห็นผิดถ้าว่าเห็นผิดจากมากักปฏิบัติผิดนั่นน่ะเอออย่างข้อต้นเห็นว่าการฆ่าสัตว์เป็นดีแล้วที่นี่ยโอ้ยแล้ออวพอาการฆ่าสัตว์บอกให้ละละหมดเลยนั่นแหละเดินทางผิดไปเรื่อยเพราะเห็นผิดทีนี้เมื่อเห็นผิดในเรื่องในหลักของสินที่ปฏิบัติผิดในที่นี้ออมันก็เห็นผิดจากสมาธิปฏิบัติผิดเห็นนิวรณ์ดีก่อไฟในการทํานิวรณะ เนี่ยในระดับต่อไปเนี่ยก็เห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นทุกข์กัสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตนนั่นมันก็ผิดไปเรื่อยเื่ยเบื้องต้นผิดทำกลางผิดเบื้องปลายผิดเออเนี่ยมันจะไปได้อย่างไรเมื่อมักไม่ถูกต้องมักเป็นมิจฉามักเสแล้วเดินทางผิดปฏิบัติผิดเห็นผิดทําสิ่งที่ผิดถือมั่นในสิ่งที่ผิดละไม่ได้เออละไม่ได้นั่นน่ะเดินทางผิดนี่เราพิจารณาดูสิเห็นผิดจักมาก นี่ความเห็นไม่ตรงเออเนี่ยเดินทางผิดไม่ว่าแต่สมัยเราเน่นสมัยพุทธเจ้าของเราดูสิพูดถึงเดินทางผิดอย่างเราก็เหมือนกันนั่นแหละอาจจะผ่า น, นรรพ้นคําสอนพุทธเจ้ามานั่นนะเพราะอะไรเนี่ยหลายล้านพระองค์แล้วผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี่เพราะเราเห็นผิดนั่นแหละเราเห็นผิดปฏิบัติผิดมาแล้วเราจึงต้องมาเกิดเนี่ยถ้ า, าสมมุทัยเป็นเกิดทุกลาเสลาเสลาไม่ได้ตายก็อยากเกิดจึงมาเกิดในปัจจุบันนี่เพราะอะไรเพราะเราเห็นผิดนั่นแหละ นี่มันจะต้ําแจเราเน่ยเราเห็นผิดเราต้องปรับปรุงความเห็นของเราให้ถูกต้องต้องเห็นทุกข์เปทุกข์เห็นเหตุกระทุกเป็นเหตุกระทุกเออทะักเหตุกระทุกคือตัณหาไม่ได้นิโรธนิพพานเข้าไม่ถึงต้องละต้องละเห็นมรรคนะเห็นสินเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยการปฏิบัตินะอย่าไปเห็นตามแบบแผนตำรายอย่าเห็นตามคนอื่นต้องเห็นด้วยการปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติไหมละสินสินที่เราปฏิบัติอยู่เป็นสินประเภทใด เป็นโลคีสินหรือเป็นโลกุตตะลสินอ่เห็นทำที่แปลงมของสมาธิไหมปฏิบัติสมาธิไหมทาจิตใจตั้งมั่นได้ไหมถ้าจิตใจตั้งมั่นแล้วปัญญาเครื่องเห็นจริงทุกแน่น่ะเห็นทุกอย่างเนี้ยโอ้ยร่างกายทางก่อนเออมันก็เห็นลงได้เลยทุกเกิดก็ไม่ได้กายนี่ทุกแก่ก็ไม่ได้กายเปรตานั่นอ่ะเหรเห็นาใจเนียเออเป็นตนไม่เห็นใจไป็าตุเปรตตานั่นน่ะไทยเราเป็นตนนั่น ออถ้าไม่เห็นความเป็นชาติเป็ตาจะไปรับความยึดอย่างไรรับความยึดไม่ได้ใจจะหลุดพ้นไปได้อย่างไรเนี่ยต้องทําความเห็นใ้ตรงมันเหลี่ยมกันท่านี้แหละมันเหลี่ยมกนนมันตัวนี้ยความเห็นตัวเนี้วิชาดิจิตส ม, ม, า, มาธิจินีวิชาดิจิตเป็นเครื่องทําให้เรียนชาตในการบรรลุมุตวิชาดิจิมันเป็นมีฉามาัคความเห็นไม่ตรงเห็นไม่ถูกตอ้องตามความเป็นจริงบางทีอาจจะเห็นถูกต้องในเรื่องสมมุติแต่ด้านปรามารรัดมันผิดนันถ้าผิดปรามาัดเราจะไปะไรักยังไงเออ เพราะความเห็นในด้านสมมติ น, น่ะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเปเราไปเขามันเป็นธาที่ตังอย่างผมยึดเห็นเป็น่าตุแวตาเนี่ยมันจะถึงละความยึดเสียได้จกเห็นใจเป็นธาตุแวตาเนี่ยเห็นใจเป็นธาตุแวตาธาลุกเป็นธาตแวตานะเราไม่มีลองมองดูดีๆมันเห็นตรงตาวไปจริงดูสิอ่ามันเป็นธาตแตาตัวตนของเราไม่มีใครจะไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ละเท่านั้นแหละไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นก็มันเป็นธาตแตาไม่มีตัวตนของใครเนี่ยตัวตนของเราไม่มีตัวตนของเขาไม่มี ไม่มีใครปเป็นแต่ของไม่ไมีของของใครไม่มีใครเป็นได้เป็นนี้มีแต่ธาตุธาตุลุทะลุเออลู่ธาตุเห็นธาตุนั่นไม่เห็นว่าเป็นตนเห็นเป็นตนยึดเห็นใจเป็นตนยึดใจแล้วใจหนึ่งเดียวมันไปเห็นกายเป็นตนยึดกายอีกแล้วเดี๋ยวเวนาเกิดขึ้นจัดทางกายปวดขาไปเห็นเป็นตนยึดเออปวดข้เห็นเป็นตนยึดปวดหลังก็เยวเป็นตนยึดนั่นเห็นจะเป็นตนเห็นจะเป็นตนอนัตตาไม่เห็นทาอนัตตาเห็นละผมยึดไม่ได้ เนี่พิจารณาพิจารณาดูตามหลักเนี่ยหลักชาติศิษยาทารคอนี้เลยทิฏฐุชกธรรมะการทำกุศลต้องต้องเห็นตรงถูกต้องทํากุศลจริงสิ่งใดเป็นบาปต้องเห็นว่าเป็นบาปสิ่งใดเป็นบุญต้องเห็นว่าเป็นบุญอย่าไม่อย่าไม่เห็นกลับกันทำให้เห็นกลับกันก็เลยเห็นไม่ตรงอย่าทิงแม้ว่าถนอมเป็นมโนทุจิตก็ต้องเห็นว่าเป็นมโนทุจริตสิ่งใดเป็นมโนสุจริตเนี่ยก็ต้องเห็นว่าเป็นมโนสุจริตอ่าสิ่งใดเป็นบาปต้องเห็นว่าเป็นบาปสิ่งใดเป็นบุญต้องเห็นว่าเป็นบุญเอ่ อย่างว่าจะเรียบเป็นบาปเนี่ยทานเป็นบุญนั่นความยินดีในเวนห้าเป็นแปดเป็นสิบเป็นบาปความมีเรื่องรับความยินดีเสียได้น่ะมันเป็นบุญอย่างเนี้นิวรณ์เป็นบาปสมาธิเป็นบุญความเห็นว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัตนมันเป็นบาปควมเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นท่ายเป็ัตามันเป็นบุญนี่ทวีปัญนาปัญญาความเห็นเนี่ยความเห็นนับตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงระดับสูงะ นี่ท่าเรียกว่าทำกุ้งตรงถ้าตรงตั้งแต่ต่ำที่จะมันก็จะต่อขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเราขึ้นบันไดที่หนึ่งเน่ยเหยียบที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยมันก็จะมีกําลังแก่ก้าอย่างการบังเพ็ินมัสมับจะเป็นโลกีมัสมันก็จะมีกําลังแก่ก้ายางก่อสู่โลกุตละมัได้วยโลกุตละมัศยังมีทัศนคเห็นทัศนคปโสดาทัศนคปสกิทาคาทัศนคปานาคาทัศนคปะลัต ศาสนาพราหมณ์มันจริงจะสมบูรณ์ความเห็นตัวนั้นถูกต้องตามความปจริงเด่นชัดสามารถจะเลิกละอสวะกิเลสภรีดวงจิตดวงใจบทไปสิ้นไปได้ก็จะมองเห็นว่าจิตใจในหลุดพ้นนันลุดพนสันทิที่โกูนั่นพอปฏิบัตินะพวกปฏิบัติจะฝึกเห็นเองแต่ที่ทอะไรเห็นได้เองเห็นตรงแล้วไม่ตรงเห็นได้เองนั่นนะในบททำสวากขาโตนเนี่ยยิ่งแน่นแฟน้นมันก็เข้ากับหลักของคำที่ว่าทิศถูกชุ ก, กรมะนี่เองการทำก็ไม่ไตรง อ, อย่าว่าท่านเห็นตรงต่อสิลเห็นตรงต่อสมาธิเห็นตรงต่อปัญญาเห็นตรงต่อวิชัยตรงต่อวิมุตนั่นน่ะเห็นตรงต่อกำทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วเนี่นี่เห็นใจทำไหมล่ะใจทำอะไรถ้าใจทำกรรมดีความดีน่ะสมบูรณ์ภายในดวงจิตดวงใจตัวเอก็สามารถละกรรมชั่วทำไม่ดีได้หมดเย็ดเจ็ดมันกระหลุดพ้นเห็นเลยเลยว่าใจหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นเห็นเลยเลยว่าใจทำอะไรเนี่ย ความเห็นตัวนี้ถือว่าปัญญาอ่าปัญญาเครื่องเห็นสันติติโกอ่ผู้ปฏิบัติจะไปเห็นได้เองทิฏฐุจกกมมรรมการทำความเห็นนี่ตรงใครละเป็นผู้ทําใจทําไม่ใช่หรืก็ใจทําความเห็นก็เห็นใจเดีสิเห็นจริงที่ใจทำํำในสิ น, นะเป็นอาการนโอไม่ต้องอ้างการเนี่ยเวลาทำกรรมชั่วไม่อ้างการเวลาเวลาจะทํำกรรมดีทําไมต้องอ้างถ้าให้ทานก็อ้างรักษาจริงก็อ้าง ทำสมาธิก็อ้างเจริญปัญนาก็อ้างทำวิชาญมุติก็อ้างเวลาหลงไม่อ้างหลงมันทุกเวลานั่นแหละอย่างนี้โลกก็ไม่อ้างโกรธก็ไม่อ้างเห็นผิดก็ไม่อ้างยึดถือก็ไม่อ้างถ้าเป็นอย่างนั้นก็เพราะคนเราไม่อ้างการเวลาในการทาบาปนั่นแหละบาปมันจึงมีกำลังแก่กายแข็งอยู่ภายในตรงจิตตรงใจถ้าเราไม่อ้างการเวลาในการทําบุญจริงๆแล้วบุญจะมีกำลังแก่กายแข็งๆท่านทํำใ้ทุกขณะนั่งดูเนี่ยก็ท่านได้ท่านอะไรก็ท่านที่เลสออกกับใจเนี่ยเออ กิเลสนี่คัญถ้าว่าท่านอ่ะท่านกิเลสออกจากใจนี่หรอกทานอรมัตณ์ท่านโลกออกจากใจท่านคนออกจากใจท่านลกจากใจนี่ท่านก้มยึติดออกจากใจท่านก้มยตดถอออกจากใจท่านไปเจอกับการสละละละละใจละใจละเครื่องปูพัดออกจากดวงจตดใจถ้าใจละอย่างนั้นมันกระดุบ่เยนี่เว่าท่านได้โดยไม่ต้องตั้งกานเอาเวลานี่เออพุทโกรู้ได้เลยที่ใจน่นะท่านหรือไม่ท่านหรือมีคนตนีเ่ห่วงแหนอยู่ เออท่านบอกให้ละละเราาหได้เพราะอะไรชีจีตานีเนี้ยนหวงแห่นนั่นน่ะอนีตานีเนี้นห่วงแห่นเบากุ่นขิเล็มันก็ครอบงำภายใุดงจิตดวงใจทัพที่ใจเดือดร้อนเป็นทุกข์าความสุขสงบเย็นสบายไม่ได้นี่โอ้พระนริโก้สอนใจนะสอนได้หรือไม่ได้ทีเนี้เราต้องดูดูใจเรานี่ถ้าเราสอนไม่ได้เรก็แล้วเรื่องเลยตัวนี้ตอนสาคัญยิ่ง พ่อพระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้แล้วครูบาอาจารย์ก็สอนเอาไว้แล้วธรรมเทศนาของพระองค์น่ะทรงแสดงเอาไว้มากมายหลายอย่างหลายประการอุบายเออปีจะถือว่าแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นแหละรวมลงมาแล้วนั่นแหะคําสอนมันสอนใจให้ละบาปนี่เราต้องโผปัญญโกมาสอนใจเราให้ละบาปท่านสอนให้ละบาปอะไรอสอนใจที่ทําบาปเป็หตุละนะเออถ้าใจละบาปมือเราท่านไม่สอนหรอกเออสอนใจที่ทําบาปเปเหตุละนี่ ใจทำกบล้มถั่นสอนเห็นละใจทำกบโผลเดือดสอนเห็นละใจทำกบหลงเดือดสอนเห็นละใจทำกบเลี้ยงผิดเดือดสอนเห็นละใจทำกบยกคนถือสอนเห็นละทีนี้เมื่อสอนแล้วที่เดใจมันละไหมถ้าละตามคำสอนเราหลุดพ้นแน่นอกจากการสอนแล้วไม่ทำนั่นแหละเนี่ยสอนแล้วไม่ทำเนี่ยแสดงเห็นว่าใจนั่นน่ะว่าอยากสอนยากไม่ทำตามคำสอนไม่ว่าจะเราสอนเราเดี๋ยวพิจิตราดูสิสาวขึ้นไปอดีตนั่นแหะ อที่เราหลุดพ้นไม่ได้ไม่พ้นจากภพจากชาติไม่พ้นจากความเกิดแก่เก็บตายเพราะไม่ทําตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าองไหนท่านสอนให้รักความยึดควมถือไม่มีไม่ได้สอนอะไรละท่านสอนให้รักความเห็นเห็นผิดเนี่ยรู้เปาท่านจะสอนให้ทำความห็ผิดไม่มีท่านสอนให้รักความหลงท่านจะสอนให้หลงไม่มีอท่านสอนให้รักความโลภท่านจะสอนให้โลภไม่มีท่านสอนให้รักความโกรธท่านจะสอนอให้สร้างความโกรธไม่มีท่านสอนให้รักทางนั้น ทําทตามคําสอนผู้ท่านโอ้ยบางคนดูสิเราพิจารณาภาษาวุฒิสาวิกาทั้งหลายที่ทําตามคําสอนพระเจ้าเพียงภาษิตข้อเดียวท่านก็บรรลุพระรหัสได้อย่างเนี้เพราะทำตามถ้าไม่ทําตามเลยพี่เ น, นี่เรามองอย่างนี้ที่เราจะได้เห็นเรื่องของเราจริงถ้าเราสอนเราไม่ได้แบปัจจุบันนี้เราก็จะต้องตกอำนาจของกิเลสถูกกิเลสมันย่ํายีภายในดวงจิตดวงใจของเราอย่างนี้แหละในปัจจุบันก็ต้องไปทุกข์เดือดร้อนด้วยกิเลสติดใจทําเพราะบอกไม่นอนสอนไม่ไใช่ไม่ฟังเออเนี่ย อานาคตข้างหน้ามันจะพาไปอีกนะต้องไปประสบกับความทุกข์ความยากความลำบากต่อไปอีกนี่ว่าสอนใจละบาป ท, ทั้งสิ้นสอนใจบำเพ็ญบุญกุศลให้ถึงพร้อมบุญกุศลที่จะต้องทําคืออะไรบุญเป็นเชื้อของความสุกขสกุศลก็คือความฉลาดสอนใจมันฉลาดใ ห, มดให้มันลูกให้มันฉลาดขึ้นมาเลิกละสิ่งที่เป็นบาปเปกุศลออกจากดวงจิตดวงใจมันรุกมันฉลาดขึ้นมาสอนจิตใจมันทําบุญบุญคืออะไรบุญคือการให้ทานบุญคืออะไรการรักษาศีลบุญคืออะไรการทําสมาธิบุญคืออะไรการทำอภิปัฏนา บุญคืออะไรวิชาวิชาลูกจริงลูกแจ้ลูกเด่นลูกชัดขึ้นไปลำดบับรูกจนเลิกละคมหลงออกจากโล ก, กิตรองใจเศรษฐกิจใจหลุดพ้นนั่นน่ะวิชาลิมุตเนี่ยสอนใจสอนใจที่นี่เมื่อสอนใจได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นประ จ, จักษ์ตังนั่นเห็นได้เลยรู้ได้เลยเนี่ยเราสอนเราได้หรือไม่ได้ตอนนี้เราจะได้ไม่ไม่มองที่อื่นเนี่ยมองใจอันเดียวเราสอนเราไม่ได้แล้วที่เนี่ยเอ้ยคนอื่นที่เนี่ยเออก็อยิ่งยาก มันเป็นหน้าที่ของเขาเองใจของเขาเองเขาต่องสอนเขาเขาทำกรรมชั่วดีชั่วเองเขาทำำํากรรมดีดีเองเอนี่เรื่องของกรรมดีมันอยู่ในวงของคําสอนนั่นแหละใครรู้เฉลาดในการสอนจิตใจตัวเองแล้วทีนี้ก็ทําตัวเองให้สบายนคนที่ฉลาดลนะั่นแหะทําตัวทําตัวเองให้สบายนอกจากคนโง่งแล้วทำตนเองให้เป็นทุกข์นี่ใจโ ง, ง่ทําใจเป็นทุกข์ถ้าใจฉลาดทําใ จ, ปใ จ, จเป็นสุขทําอะไรใจจึงจะเป็นสุขใจจึงสงบ ใจจึงัเย็นใจึงสดชสบายเนี่ยมันรู้มันรู้นั่นน่ะรู้จักทำถ้ารู้จักทำเนี่ยก็ได้ความสุขรู้จักทำก็ได้ความสงบรู้จักทำก็ได้ความเยอกเย็นรู้จักทำก็ได้ความสบายนิพพานังปรมังสุขขังน่ะรู้จักทำก็ถึงเลยนั่นะทำอะไรเนี่ยจริงๆมันกางกันจริงๆมันทำไม้เนินชาจริงๆมันไม่ถึงสัปอุปริเสสเพผานรู้จักทำการละกิเลสออกจากลกจิตรงใจสเนี่ยละละ ละความยินดีเสียะละความยินไล่เสียะละความยึดถือเสียะละความหลุ่มหลงโมเมาเสียะละความมิ้นผิดเสียนั่นน่ะละนั่นเรียกอสะไรสะสักสะอุปริเสสนิพานอืมใจละกิเลสเส้นแรกเมื่อนละกิเลสเส้นมันก็ถึงเท่านั้นแหละพระนิพานนิพพานประมังสุขขังปรากฏแจ่มแจ้งชัดเจนพรยดวงใจอันนี้จะชี้เห็นว่าใจที่บอกนอนสอนได้ใช่ฟังนั้นประพฤติปฏิบัติตามถูกต้องตามหลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าในเบื้องปลายเนี่ยออผลอันยิ่งใหญ่ไพศาลอ่าซึ่งเราจะกําหนดขนาดนับไปได้เลย เอออันนี้พานังปรวรัง ส, สุขขังเนี่ยกํำลดไม่ได้ว่ามีคุณเท่านั้นมีคุณเท่านี้ประมาณาประมาณเท่านี้นี่นทันยุว่าอัปปมาโน อ, อัปปมาโนธรมโมนิพพานธรรมน่ะมีคุณไม่มีประมาณมีคุณมากยิ่งจิตใจจะรับความสุขสงบเยือกเย็นสบายนี่พิจารณาตรวจตองดูภายในดวงใจอันนี้มันรวมอยู่ในหลักของคําที่ว่าทิฏฐุทุกธรรมนั่นแหละที่สงเคราะเข้าในบททำเบือ้องต้นแต่ว่าสันติปีกโกนะ้ผู้ปฏิบัติจะพึงจห็ได้เองเนี่ย การปฏิบัติแต่ไม่มาตั้งใจวันความเห็นนั่นแหะเราปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติจิตใจของเราเห็นถูกต้องต่ำกว่าเป็นจริงไหมหรือปฏิบัติใจมันเห็นผิดเห็นผิดก็เป็นมีอ่าเป็นวิชาลิทธิเห็นถูกก็เป็นสมาธิอืมเบื้องต้นเป็นโลกคีจนมีกําลังแก่กายแฉมก็ยังกุศลลกุตละเห็นถูกต้องต่ำกว่าเป็นจริงลกุตละละอะไรแต่เห็นความเป็ิตาและตาจำแฉ่ชัดเจนตามความเป็นจริงก็ละความยึดมั่นถือมั่นให้หมดไปสิ้นไปก็บรรลุอนุปาเดเสสนิพานน่นอนุปาไดมุจจัญติ ยิดใจยาลุดทนเพราะไม่ ย, ยึดมั่นคือมั่นนั่นเองก็มีสุขสงบเยือเกเย็นสบายเนี่ยพิจารณาตรวจตองภายในดวงใจนี่ดังได้อธิบายขยายพาติคาถาข้อนี้คิดถุชุกกรรมการทำกเห็นด้ตองดังได้สแสดงมานี่กกสงควรแกกาละเวลาเอวังก็มีด้วยปกาะชะนี ท้าวริษีพรากาิปุรนปิกาคารังเอวะเนวหิโตดินนังเปตานังอุปคัปปะิอิจิตังปจิตังตุงหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเปปุรนตุสังกปา ฉันโทปะนรโสยะทาหณีโชติรโชโยะทาสปีติโยวิวาชาันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโสุขีนิฆายุโกภวะอภิวาธานาสีลิสันิจังอุทาปจายโหจตารุ ธรรมวัานตสิทัยวันโอสุขังะหลัง